โดยอธิษฐานพรรษาในเมื่ออธิษฐานพรรษาแล้วนับตั้งแต่วันนี้ละ่ะวันอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ต้องรักษาราตีาเขตวัดของเราและเขตพรรษาของเราเราก็ใช้กำแพงวัดเนี่ยนหะกำแพงใหญ่ของเราเนี่ยไม่ใช่กำแพงด้านหน้าไม่ใช่เอากำแพงวัดของเราเนี่ยแหะเป็นเขตของวัดก่อนที่ ถ้ายังไม่สว่างยังไม่เป็นวันใหม่อย่าพึ่งออกไปนอกวัดถ้าออกไปนอกวัดแป่ว่าพันสาขาดต้องให้แสงสว่างขึ้นซะก่อนเว้นเสียแต่เป็นกรณีพิเศษจว่าสัตตาหะกรณียะสัตตาหะกรณียะก็คือเราสัตตาหะไปตัว่าญาติโยมนิมนต์หรวพ่อแม่เก็บไข้ได้ป่วยสัตตาหะไปเยี่ยมพ่อแม่ ครูบาอาจารย์เจ็บใค้ได้ป่วยสัตหะไปเยี่ยมการาบเยี่ยมครูบาอาจารย์เรียกว่าสหธรรมิษฐ์อยากจะลาสิกขาสัตหะไปเพื่อห้ามปรามไปเพื่อแนะนําอย่างนี้ก็ได้เรียกว่าเสนาชนะสงสมุสทุจมเพื่อออกไปสัตหะไปหาทัพผสมภาระมาซ่อแมแซงเสนาชนะอย่างนี้ก็ได้เรียว่าญาติโยมนิมนต์ รูบาอาจารย์ไปทาบุญแล้วก็ไปตามที่ญาติโยมของนิมนต์ก็ได้แต่ว่าข้อหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตสมัยนั้นคงจะไม่มีโรงพยาบาลถ้าว่าพิกษุูเจ็บให้ได้ป่วยสัตหะไปหาหมอไม่มีนะ ต, ตรงนี้ไม่มีเพราะนั้นให้ให้คิดดูให้ดีจุดนี้นะว่าหาวิธีการจะแก้ไขยอย่างไร อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่สัตตหะไปหาหมอไม่ได้นะจุดนี้นะแห้มันมีในพวิ น, นัยให้พวกท่านทั้งหลายคนดูก็แล้วกันจุดนี้สมัยก่อนคงจะไม่มีโรงพยาบาลจึงไม่มีสัตตหะการณียะไปโรงพยาบาลแต่จำที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นมีนะในพ ว, นนวินัยถ้วัดสัตหาไปเจดวันพอทําเสร็จวันแล้วกลับมาดูในเจ็ดวัน อยู่หนึ่งถึงวันถ้าทุรานั้นยังไม่เสร็จก็ต้องกลับมาวัดก่อนอยู่มาอยู่นอนวัดซะก่อนคืนหนึ่งพอพุ่งนี้อีกไปอีกก็ได้เจดวันอีกพอจนจะถึงเจวันกลับมาอีกมาทักทีวัดอีกแล้วก็ไปอีกทำอย่างนั้นได้อันนี้คือพระวิ น, นัยคือไม่ให้่าเหินออกจากอาวะให้อยู่กับอาวาส ใ, ให้อยู่กับวัดสรุปแล้วก็คือ ในพรรษาเนี่ยก็คือให้อยู่กับเจ้าเฝ้าขับเรือนแต่จุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าในจุดนี้พวกเราควรจะศึกษาพระพุทธองค์บัญญัติที่ในจุดนี้ขึ้นมาเพราะอะไรคือสมัยหนึ่งสมัยก่อนหน้านี้สมัยที่พระพุทธองค์ยังไม่ได้บัญญัติทรรษาพระสงฆ์มีมากขึ้นเรื่อยๆเวลาไปทุกองแต่ละครั้งบางอย่างน้อยก็ยี่สบสามสิบองค์ถึงสี่สิบเป็นพัน สี่ห้าร้อยองเป็นพันองค์พระสงฆ์เป็นพั น, ค, พ น, พน ค, คนเป็นพันถ้าเดินผ่านท้องนาหรือถนนผ่านท้องนาเขาเหยียบคันนาเขาคนเป็นพันเหยียบเป็นยังไงก็ทําให้คันนาเขาแหลกเลี้ยวไปหมดเหยียบปลายญ้าป้ายญ้าก็ลาบไปหมดเพราะคนเป็นพันไปพลาดไปนั้นชาวบ้านของเขาชาวนาของเขาชาวไร่ชาวสวนของเขา เขาก็เลยตำหนิว่าพระสงฆ์สมณศัก์ย่บุตรทําไมไม่มีหน้าแล้งหน้าฝนหน้าแล้งก็เดินเดินหน้าฝนก็เดินสมณศอื่นวัดสํานักอื่นนักปวดอื่นพอหน้าฝนเนี่ยเขาไป อ, อ, อ, อยู่ประจําที่นกหนูอะไรก็ตามพอหน้าฝนเขาก็ยังอยู่ในรวงในรางประจําที่สมณศัก์ยบุตร ลูกศิษย์ของพระพุทธเจา้าเที่ยวเร่ร่อนทั้งหน้าแล้งหน้าฝนทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเสียหายไปเหยียดห้องนาถนนหนทางทันนาของเขาก็แหลกเลยวไปหมดพระพุทธองค์พระสงฆ์ก็ที่ท่านรับรู้รับทราบท่านก็เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าท่านก็เรียกประชุมสงฆ์พอเรียกประชุมสงฆ์เสร็จแล้วท่านก็ให้ บัญญัติพวินัยขึ้นมาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราบัญญัติพรรษาพันบัญญัติการเท้าพรรษาให้พิสูจําพรรษาตั้งแต่เดือนแปดเพนจำพรรษาได้สามเดือนในเขตและดูฝนแต่เราดูฝนม่อยู่สี่เดือนคือเดือนสิบสองเพนคือเป็นหมดเขตและดูฝนแต่เราบัญญัติพวินัยให้พระสงฆ์ปฏิบัติตั้งแต่เดือนแดเพน จนถึงเดือนสิบเอ็เพสามเดือนภิกษุไม่จำบรรษาไม่อยู่กับที่ไม่มีบรรษาไม่อธิษฐานบรรษาปรับอบัดทุกกฎถ้าภิกษุขาดบรรษาปรับอบัดทุกกฎแต่อีกหนึ่งเดือนจากเดือนสิบเอ็ดเพไปถึงเดือนสิบสองเพนบรัดให้ภิกษุแสวงหาผ้าพือผ้ามาคลองเนี่ยผ้าตาก็ได้ผ้า กรถิญลักษณะอย่างนั้นเรื่าเดือนสุดท้ายเป็นเดือนกรถินคือเป็นเดือนผาผ้าให้แก่พระสงฆ์อันนี้ก็คือพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติก่อนที่จะบัญญัติการเข้าปัญหากรนีนั้ะอย่างที่ผมได้บอกให้หมู่เพื่อนทราบนั้นะพระสงฆ์เดินเที่ยวพุงค์ทําให้ชาวบ้านเขาเสียหายเดือดร้อนพระุทโ์จึงบัญญัติวินัยนี้ขึ้นมาในเมื่อบัญญัติแล้ว พวกเราท่านหลายก็ต้องเคารพคือพระวินัยเป็นศีลของพระข้อหนึ่งแต่ในศีลข้อนี้เป็ น, นศีลอภิธรมารจารย์ศีล น, นอกพระปฏิโมกศีลในพระปฏิโมก ค, คือศีลสองยยีแต่ศีล น, นอกพระปฏิโมกนั้นมีมากที่พวกเราได้อ่านถาาว่าพวกเราผู้ที่เป็นพระเก่านะคือพระเก่าคือพระที่จะอยู่ดารงทรงศาสนาควรจะค้นคว้า ควรจะศึกษาเกี่ยวกับวินัยพระปฏิโมกหรือศีลนพิสมาจารย์หรือศีลมาในพระปฏิโมกควรจะศึกษาเท่งนั้นแหละแต่สาหรับพระที่เข้ามาบวชใหม่แต่จําเป็นไหมก็จําเป็นควรจะเรียนรู้แต่พอไม่ถึงกับมากเพราะว่าเราจะทําการถึงกําหนดแล้วก็คงไม่นานก็คงจะลาศิกขาผมอยากจะให้พวกท่านทั้งหลายเข้ามาบวช ระยะเวลาสั้นอยากจะให้เน้นหนักเรื่องจิตตภาวนามากกว่าถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบจิตใจเป็นไปนะจิตใจมีความสุขในเรื่องสมาธิเรื่องตํำรับกรรมราเรื่องแผนที่พวกท่านจะสนใจเองแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายมาอยู่ในวัดแล้วมีแต่ความเรือดร้อนวุ่นวายหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้พอสึกออกไปกับ หายใจหรือมันหายเงียบเท่านนแหละพราเหตุใเพราะไม่มีสิ่งที่ดึงดูดแล้วยังปรามาตในจิตในใจอีกต่างหากว่าพระอยู่ยังไงทํำยังไงปฏิบัติยจงไงเพราะตัวเองไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายมาบวชในครั้งนี้ผมอยากจะให้พวกเราศึกษาเรื่องภาวนาจิตภาวนามากกว่าจะสนใจเรื่องอย่างอื่นเพราะพวกเรามีเวลาน้อยในเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท, ท่าน ที่จำมรนษาในปีนี้ปี25งพหเนี่ยให้ตั้งอกตั้งใจทั้งพระเก่าทั้งพระใหม่พระเก่าก็ให้เป็นตัวอย่างของพระใหม่อย่าไปทําให้พ้าใหม่เขาเสียอ อ, อย่าไปแนะนําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเรา ไ, ได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์มาอย่างไรเราก็ควรเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นไม่ใช่ว่าทําความชั่วให้เขาเห็นสิ่งไหนที่ครูบาอาจารย์ห้าม อ, อ พระใหม่เขา้าไปอยากจะปฏิบัติแต่พระเก่าเนี่ยมันรื้อด้านไม่มีเฮลิคือความละอายไม่มีโอตปะคือความกลัวแล้วก็พาพระใหมท่ทาอย่างนั้นไม่ถูกนะนะไม่ถูกใครทําก็ไม่ถูกพระ เ, เก่าต้องเป็นตัวอย่างของพระใหม่พระใหม่เมื่อเข้ามาแล้วก็ศึกษาให้ดูให้เรียนรู้กับพระเก่ากับครูบาครูบากะเป็นผู้แนะนําพระใหม่เหมือนกันน้องที่เข้ามาใหม่ เพื่อเข้ามามาเพื่อการศึกษาควรเดินจงกรมยังไงภาวนาอย่างไงปฏิบัติยังไงยอย่างนี้หรือธรรมะซีดีแผ่นไหนธรรมเทศนาครูบาอาจารย์องค์ใดควรจะศึกษาควรจะให้ภาพใหม่ได้ศึกษาให้ได้ยินได้ฟังเพื่อจะเป็นทายาิของพวกเราอันนี้เป็นหน้าที่ของพระเก่าจะต้องช่วยกันคิดไม่ใช่ว่าพอเข้ามาแล้วลูกพาไปมั่วซุมที่ไหนก็ไม่รู้ จับกลมกันคุยกันพูดเรื่องสัพเพเหยละพระเก่าเป็นผู้นําทําอย่างนั้นไม่ถูกนะอย่าให้มีอย่าให้มันมีในวัดของผมนะถ้าว่าองค์ใดก็ตามถ้าเป็นอย่างนั้นขึ้นมาถ้าพระมันโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่พระใหม่บอกมาเมื่อไหร่ป่ากูบาองค์นี้แหละที่ผมมาอยู่ทําอย่างนี้อย่างนี้ทําตัวไม่ดีอย่างนี้อย่างนีนะ้แต่ผมก็จะไม่เอาไว้ในวัดเหมือนกันเพราะเหตุใดเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเป็นพาหะ นำสิ่งที่ไม่ดีเข้าสู่วัดวาศาสานาทั้งที่จะเป็นตัวอย่างของพระของเมนที่เข้ามาบวชใหม่ครับทําสิ่งที่ไม่เป็นมงคลภายในวัดอันนี้พวกท่านทั้งหลายอันนี้ผมเตือนเอาไว้นะแต่ยังไม่เห็นหรอกแต่ว่าเตือนเอาไว้ก่อนแล้วก็พวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าพวกท่านทั้งหลายก็ควรจะคิดอย่างผมนี่เหมือนกันนะนะควรจะวางแผนอย่างผมนี่เหมือนกัน ควรจะไม่ควรจะให้พระเก่าเป็นตัวอย่างของพระใหม่ในทางที่ไม่ดีเพราะนั้นพระใหม่ของเราก็มีมากควรจะได้ศึกษาควรจะได้รู้ได้เห็นนั้นได้สาเร็จสำนึกกับครูบาอาจารย์พระที่เป็นพี่เลี้ยงเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายที่เป็นพระเก่าเป็นผู้นำและก็พระใหม่ก็เหมือนกันเมื่อเข้ามาใหม่เราศึกษาใหม่ ถึงเราจะมีความรู้ความฉลาดทางโลกแต่ว่าเข้ามาในระบบนี้ในการเป็นอยู่อย่างนี้ในการเป็นอยู่อย่างพระเร า, าจะให้เหมือนทางโลกเป็นไปไม่ได้ถ้าว่าเราจะให้มันเป็นอย่างโลกเราก็ไม่ควรจะบวชในเมื่อเราเข้ามาในเมื่อเราเข้ามาบวชแล้วเราก็ต้องยึดแนวแถวสากยบุตรบุตรของพระพุทธเจา้าสากยบุตรพุทธทชินนรส พวกเราเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าผมเนี่ยค่อยๆว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นลูกใหญ่ของพวกท่านทั้งหลายแต่ไม่ใช่ใหญ่จริงนะถ้าใหญ่จริงแต่นุ่งหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาเป็นลูกของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นหลวงปู่เสาวหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ปูล่าที่เป็นครูบาอาจารย์เราล้วนแล้วจะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราก็เป็นลูกพระพุทธเจ้าเหมือนกัน พวกท่นทั้งหลายเข้ามาบวชก็เป็นลูกพระพุทธเจ้าเหมือนกันเป็นน้องๆลงไปแล้วก็แนะนําน้องๆเป็นทอดทอดนะหลวงปู่มั่นก็แนะนําหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าก็แนะนํามาหลวงตามหาบัวก็แนะนําผมผมก็แนะนำหมู่พวกเพื่อนต่อแล้วหมู่พวกเพื่อนก็แนะนําพวกน้องๆต่อไปอีกอันนี้เพื่อบรักษาพระพุทธศาสนาเป็นทอดทอเพราะฉนั้นพวกเราที่เป็นพี่เนี่แนะนําน้องๆ้อง เอาตัวอย่างไม่ดีให้น้องดูและพุทธศาสนาจะอยู่นานเท่าไหร่ในสิ่งที่ช่วยช้าลามกทั้งหลายแนะนาน้องอไปไอไปอย่างนั้นะไปข้ามย่าง ไ, ไางนะไปโคตรไปยังไงไปโกงไปยางไงทํามีที่รับมีที่แจ้งอันนั้นแปลว่าพี่ไม่ดีเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นศักจะบุตรพุทธชินโนรสเป็นลูกของพระพุทธเจา้าควรทําตนให้เป็นพระที่ดีส่วนน้องก็เหมือนกัน เมื่อเข้ามาศึกษาก็ดูพี่มีความข้อใจสงสัยตรงไหนให้ถามเพราะพวกเราเข้ามาศึกษาไม่เหมือนทางโลกอันนี้คือพระวินัยพระสงฆ์อยากจะให้เหมือนทางโลกเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นอีกการเป็นอยู่อีกแบบหนึง่งอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละมาอยู่หลายวันอย่าพวกเราคงจะเห็นไม่เหมือนทางโลกพรเราเป็นพระ แสดงอากัปกิริยาทางกายทางวาจาทางใจก็ล้วนแสดงแบบพระเราจะไม่ทําทางโลกเพราะนั้นการไปจูดทุกเสียงทุกอย่างถึงจะจิตใจของเรานึกอยากจะไปทางโลก ก, ก็ต้องห้ามเอาไว้เพราะขณะนี้เราเป็นพระอย่างพวกพระใหม่อย่างเนี้ยเราเคยร้องรําทําเพลงสนุกสนานสมัยเป็นครวัตเราจะมาร้องรําทําเพลงในขณะที่เป็นพระทําไม่ได้นะเพด ไม่ไม่ถูกไม่ถูกต้องอย่างมากอย่าคิดทำอย่าทำถ้าว่าเราเป็นครวญไปเห็นพระวัดไหนร้องเพลงเราก็ซาทุโอนุโมธนาคูบาได้เก่งจริงๆเป็นพระร้องเพลงอย่างนั้นเหรอแต่ตัวเองเข้ามาบวชแล้วมาทำมากับกิริย์อย่างนั้นจะให้คนอื่นเขาเริ่อมใสนับถือไม่ใช่หรือไม่แหมให้ถามตัวเองถ้าเป็นอย่างเราเราจะไม่ใส่บาง ไม่ใส่บาตรไม่กินพระอย่างเราอย่างนี้ถ้าทําตัวอย่างนี้อต้องคิดอย่างนั้นไว้ในใจเพราะฉะนั้นร้องเพลงในใจก็ไม่ควรจะให้มีถ้ามีจะร้องเพลงในใจเราก็นึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะอย่าให้ใจร้องเพลงนะถ้าใจร้องเพลงก็ยังไม่ถูกควรจะนึกพุโทโธท่องพุโทโธไว้ในใจเพราะฉะนั้นการกระทํากรรมทำทำได้สามทางกายกรรมคือการกระทําทางกาย วจีกรรมการกระทำทางวาจาคือความคิดและคือการพูดมโนกรรมก็คือความคิดทางใจเพราะฉะนั้นการที่ร้องเพลงในใจนี่พอเป็นการกระทำทางใจเป็นทางเป็นพ้นทางที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายอย่าไปคิดทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทงั้งกายทั้งวาจาทั้งใจการบวชเข้ามาในครั้งนี้เราบวช ด, ด้วยเจตนาดีที่สุดในความมุ่งหวงังมุ่งมั่น เราบวชมาเพื่อศึกษาเราบวชมาเพื่อปฏิบัติเราบวชมาเพื่อสั่งสมบุญกุศลทดแทนพระคุณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ทดแทนแผ่นดินถวายพระราชกุศลในหลวงครบรอบแปดสิบพรพรษาอย่างเนี้พวกเราล้วนแล้วแต่เจตนาดีด้วยการทางนั้นพอท่านเข้ามาบวชแล้วทำตัวไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีอันนั้นเป็นเรื่อง ที่ไม่ถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นการบวชในครั้งนี้ขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจและอย่าให้มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นภายในวัดถึงยังไงก็ตามให้พวกท่านทั้งหลายคิดถึงผมจะทําอะไรลงไปจะพูดอะไรลงไปให้คิดถึงผมที่เป็นหัวหน้าถ้าทํำแาบนี้ครูบาอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าท่านจะหนักใจอย่างไรแค่ไหนถ้าเราทําไม่ถูกเพราะฉนั้นพวกท่านทั้งหลายต้องคิดถึงผม เ, เป็นอันดับแรก จากนั้นก็อย่าไปทำอย่าไปเตะอยไปตีอย่าไปทำอะไรการเกิดขึ้นถ้ามีอะไรหนักใจให้มาหาผมในฐานะผมที่เป็นหัวหน้าผมรับผิดชอบทุกอย่างตลอดการอยู่การฉันการเจ็บไข้ได้ป่วยการเป็นอยู่ทุกอย่างเดือดร้อนใจเรื่องอะไรผมเป็นหัวหน้าผมรับทั้งหมดถ้าหาว่าผมไม่รับทั้งหมดผมจะไม่เป็นหัวหน้าผม้หูพวกเพื่อนที่ผมเป็นหัวหน้าที่เป็นหัวหน้าก็ยอมรับทุกอย่าง สรุปแล้วคือตายแทนพวกท่านทั้งหลายได้ว่าอย่างนั้นก็ว่าได้เพราะเหตุหลายเพราะผมรับความเสียหายเกิดขึ้นอย่างไงผมจะต้องรับผิดชอบกับหมู่กับเพื่อนเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาให้ตั้ง อ, อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้คิดถึงผมที่เป็นหัวหน้าอย่าให้มีเรื่องราวท่าว่าใครก็ตามองไหนก็ตามนะมีการชกต่อยตี ก, กันขึ้นภายในวัดอันนี้ ผมต้องใช้มาตรการเด็ดขาดเหมือนกับองค์หลวงตามหาบัวเคยใช้มามากต่อมากถ้าว่ามีพระตีกันในวัดท่านให้หนีทั้งคู่ให้หนีทั้งคู่เพราะว่ท่านมาเสมอกันมันความชั่วเสมอกันมันทําไมถ้ามีองค์มินองค์หนึ่งดีอยู่จะไม่ทำํำสมมุติว่าองค์หนึ่งไม่ได้ตีไม่ได้เตะองค์หนึ่งมาเตะ ม, มาตีองค์นั้นไปสู้จแล้วองค์ที่มาทําองค์ที่ลงมือนั้นมีความผิดให้องค์นั้นหนี แต่องค์ที่ถูกตีก็ต้องถูกสอบอีกเหมือนกันทําไมองค์นั้นจึงตีท่านไปแย่เขาจะไม่ไปด่าเขาจะไม่ไปพูดให้เขาใช่ไหมแต่ถ้าว่าความผิดมีอยู่ไปยุแยงให้เขาทําให้เขาเดือดร้อนวุ่นวายก่อเรื่องบ่อยๆองค์นั้นก็ควรจะหนีอีกเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะต้นเหตุอยู่ตรงนี้จึงไปทําให้เขาทําอย่างนั้นเนีะยดังนั้นต้องสืบทั้งสองอ ง, องว่าองค์ไหนผิดองคไหนถูก ถ้าหากว่าต้องให้ออกจากวัดไปก่อนหลวงปู่ล่าท่านบอกว่าถ้าผิดถูกยังไงนู่นเจา้าคณะตำบจลจ้าพณะอำเภอมีอยู่ไปฟ้องกันทุกลุ่กนกระไรเราไม่มีกายวินิจฉัยเพราะเราเป็นภาคกรรมฐานต้องให้ออกจากวัดไปก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทางหลายนะไปยินทางนี้ทางนั้นเป็นการเตือนเป็นบอกการบอกกล่าวเป็นการว่า ก, กล่าวผมเคยพูดอยู่เสมอว่า ถึงผมจะรักแสนรักหมูพวกเพื่อนขนาดไหนแต่หมูพวกเพื่อนไม่ตั้งอกตั้งใจหาความเป็นผู้หวังดีไม่ได้ก็เหมือนกับมะเรง็งเชื้อมะเร็งอยู่ในนิ้วมือของผมผมจะรักนิ้วมือผมผมขนาดไหนผมก็จะต้องตัด น, นิ้วมือผมทิ้งเพราะเหตุใดเพราะมันจะลุกลามเข้ามาหาฝ่ามือมาหาแขนของผมได้ถ้าว่ามันเป็นมะเร็งอยู่ในเท้าของผมผมก็จะต้องตัดแข้งผมทิ้งเพราะเหตุใด เพราะมะเ็งมันจะต้องลุกลามมาถึงตัวของผมอันนี้ก็เหมือนกันถ้าอยู่ในวัดของผมถึงผมจะรักขนาดไหนแต่ทาตัวไม่ดีก็เหมือนกับเชื้อมะเ็งนะแต่ผมก็จะต้องให้ออกจากวัดไปอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายให้รับรู้ ร, ร, รับทราบเอาไว้ Hawaii นะอันนี้ก็คือมาตรการขั้นเด็ดขาดระจัดการตามหลักพระธรรมวินยัยตามกฎรละเบียบของวดัดเพราะนั้นถ้าว่าพวกเรา รู้แล้วอย่าให้มันเกิดเราอดเข้ามาอดเพื่อความอดทนทางโลกเราเราก็ทำมาค้าขายมีดูมีกินแต่บัดนี้เราเข้ามาศึกษาในภาคปฏิบัติจิตตภาวนามาดูจิตใจถ้าหากว่าพระกรรมฐานดูด้วยกันและมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นมีการชกต่อยตีกันเกิดขึ้นภายในวัดพวกเราท่านทั้งหลายอย่าให้มีการท้งนี้ท้งนั้นที่ผมเตือนก็คือเตือนล่วงหน้าไปก่อน ถ้าหากว่ามันเกิดเรื่องสะก่อนจะค่อยมาพูดกันแต่ว่าวัวแต่หายแล้วยังค่อยมาร้องคข อ, อกันไม่ถูกผมว่านะควรจะล้อมคอขอกไว้ก่อนทิ้งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นิริษเป็นมงคลสำหรับพวกเราทุกๆท่านก็พร้อมกันให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาในพรรษานี้แต่ ใ, ใครจะกดอาหาร ใ, ใครจะผ่อนอาหารยังไงก็ตามแต่ว่าการ จะขนอาหารตอนเช้าไปฉันและไปส่งนมส่งอะไรให้กันอย่าทำนะไม่ได้ไม่ไม่เป็นผลดีอย่าทําอย่างนั้นเดี๋ยวเสียการปกครองเสียกฎและเบียบแอบเพล่เพล พ, พอนมเสร็จแล้วก็ขนมเข้าไปอีกแอบเสียนอนั้นแหะมันจะลุกรามไปเรื่อยถ้าว่าหิวให้มาฉันที่ฉลาแอบส่วนน้ําปานะก็เหมือนกันลงมาฉันที่โรงน้ําร้อนแต่ไม่ควรจะขนน้ำอ้อยน้ําตาลโกโก้กาแฟ ไปที่กุฏิแล้วก็ไปตั้งกลุ่มกันแล้วก็ไปมวดสูงคุยกันคนหนึ่งได้หนึ่งคนหนึ่งได้หนึ่งมามวดสูงกันอยู่นั้นผลที่สุดกับมีเรื่องรา่าอะไรเกิดขึ้นที่แรกกับพูดกันดีต่อมากับพูดเรื่องสัพเพเหระเรื่องโลกเรื่องสงสารเ ร, าเรื่องผู้หญิงเรื่องเคยผ่านมาในอดีตเมื่อเป็นครวญค น, นมาพูดให้กันฟังหมดผลที่สุดวัดของเราทั้งที่จะเป็นวัดสั่งสมบุญกุศล ก็เลยเป็นวัดที่มวดสมแลกเปลี่ยนความหายยะความชั่วช้าลามกเกิดขึ้นภายในวัดเอาสิ่งที่มันไม่ดีเอามาแลกเปลี่ยนกันภายในวัดผมไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นวัดของผมเป็นวัดเป็นิริเป็นมงคลเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีที่ผมพูดให้พูดให้ฟังเป็นแนวความคิดทั้งนั้นแหละอย่าให้มันมีเกิดขึ้นภายในวัด เพราะนั้นผมจึงไม่ให้ขนน้ำอ้อยน้ำตาลโกโก้โกาแฟไปที่กุฏิไปตั้งกลุ่มกันดื่มไม่ดีถ้าใครต้องการดื่มมาดื่มที่โรงน้ำบ่ายสองโมงมาดื่มดื่มเสร็จแล้วกลับไปปัดกวาดทำความสะอาดที่พักผาอาศัยของตนเองจากนั้นก็ปัดกวาเดเสร็จแล้วก็ช่วยกันมาดูชลาทางความสะอาดของนมของน้า ตี๋ได้ใช้ของใช้อะไรที่ขาดตกบกพ่องช่วยกันจัดช่วยกันทําทุกองนะช่วยกันทําทุกองค์เพราะรวมพวกเราใช้ทุกองค์องค์ไหนมีหน้าที่อะไรให้ทําให้ดูกันในการทํากิจวัตรควั ด, อ, วดอย่าไปให้อย่าไปเกี่ยงกันอย่าไปถือว่าองค์นั้นทําองค์นี้ไม่ทําพวกเราก็มาศึกษาเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกองค์จะต้องลงมือพวกท่านทั้งหลายก็่มาอยู่วัดนี้เป็นลูกของวัดนี้เป็นลูกของวัดนี้ ลกทุกคนต้องมีหน้าที่ต้องทําหน้าที่ช่วยกันช่วยบ้านของตนเองช่วยหน้าที่วัดวาศาสานาของตนเองสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์สิ่งไหนที่เป็นมงคลสำหรับเราช่วยกันจัดช่วยกันทําเมื่อเสศษและประตามองค์ต่างไปส่งน้ําเข้าที่พักภาวนาเดินยมกลมปฏิบัติทําจิตให้สงบ ต, ต่อไปอันนี้ก็คือชีวิตประจําวันของพระ